ตอนที่มาสร้างใหม่ๆก็เรียกว่าต้องลงมือก่อสร้างกันเองเพราะว่าค่าก่อสร้างมันแพงนะอาจารย์ก็ต้องลงมือสร้างศูนย์เซนขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ก่อร่างสร้างอาคาราโชคดีที่มีลูกศิษย์นะลูกศิษย์เป็นชาวอเมริกันอยู่ในวัยรุ่น20ไม่ถึง20ก็มี พวกนี้ก็คล้ายๆกับพวกคิดปี้นะแสวงหาแสวงหาคำตอบด้านจิตใจพวกนี้ปฏิเสธศาสนาคริสต์แล้วก็เสกปฏิเสธการใช้ชีวิตแบบทุนนิยมวัตถุนิย ม, ยมซึ่งตอนนั้นกำลังแพร่หลายระบาดมากในอเมริกาลูกศิษย์เหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชายก็มาช่วยกันสร้างกับอาจารย์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 ทำงานก็ทำงานแบบพยุบบูแคมแต่ว่าไม่รู้จักวางใจอย่างถูกต้อง <c oughs> อันนี้ว่าทำกิจแต่ไม่ทำจิตก็เห็นได้ทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดทาแล้วเครียดทาแล้วทะเลาะ ก, กันนะทแล้วเกิดความกระทบกระทกรกระทบกระทั่งกันเพราะว่าจิตใจขุ่นมัวจิตใจเครียดหรือว่าถึงแม้ไม่ทะเลาะ ก, กับใครแต่ว่าตัวเองก็เป็นทุกข์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 ต้องนํามาประสานกันให้ได้อันนี้เราเป็นทางสายกลาง น, นะคือทำจิตแล้วก็ทำกิจไปพร้อมๆกันคนส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะสุดตรงคือทำจิตแต่ไม่ทำกิจหรือไม่ก็ทำกิจคือทำการงานแต่ไม่ทำจิตเลยเครียด <c oughs> พวกที่ทาจิตแต่ไม่ทากิจนี่ก็ใจก็สบายแต่ว่ากลายเป็น ไม่รับผิดชอบหรือบางทีกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปในสายตาของคนจำนวนมากหรือว่าเขาจะมองว่าไม่เอาเรื่องไม่เอาเร่าอะไรเลยนะปล่อยวางแต่พฤตอเพืออันนี้ก็ให้รู้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นการยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าปฏิบัติถูกต้องนี่ต้องทำกิจแล้วก็ทาจิตควบคู่กัน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 ก็มีการพูดคอนแควลนชาวพุทนนีเอาแต่แผ่เมตตาอยู่แต่ในมุ้งคือคนเกเดือดร้อนยังไงก็แผ่เมตตาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยที่จริงที่เขาวิจารณ์อย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกนะเพราะว่าถ้าเป็นชาวพุทธที่เข้าใจพุทธศาสนาจริงๆก็จะรู้ว่าการแผ่เมตตานั้นก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นและไม่ควรจะหยุดแค่นั้น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 ปิยวาจาคือการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยคำพูดพูดคําไพเราให้กําลังใจหรือว่าพูดชี้นําให้เขาได้เห็นเข้าใจธรรมะอันที่3เนี่ยอัตจริยาอัตจริยาก็คือการอันนี้ลงมือแล้วลงมือช่วยลงมือช่วยเหลือเขาหรือลงมือช่วยเหลือส่วนรวม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 เมตตากรุณาเนี่ยมันออกมาเป็นภาคปฏิบัติแทนที่จะแผ่เมตตาอยู่ในมุ่งนะก็ออกจากมุ่งมานะมาช่วยเหลือเขานะด้วยทานด้วยอัธยาจริย า, ย า, ร, าร่วมทุกข์ร่วมสุขนั้นะถ้าชาวผูเราปฏิบัติอย่างที่ถูกต้องก็เรียกว่าทำทั้งทั้งทำจิตและทมกิจซึ่งแน่นอนนะมันก็เกิดผลประโยชน์ เ, เกิดประโยชน์ที่ ครบท้วนทำจิตก็ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์ส่วนทำกิจก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ทันอันนี้เป็นหลักเลยนะเรื่องการทำจิตกับการทำกิจเนี่ยมันเป็นหลักของพุทธศาสนาทีเดียวเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทำไม่ได้ใช้คำแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราศึกษาครบท้วนก็จะเป็นอย่างนั้น ตัวอย่ตัวอย่างนั่นคือเวลาพระเจ้าสอนเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังนะท่านก็จะสอนท่านก็จะสอนสองแง่คือเมื่อพูดถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและท่านก็จะพูดต่อไปว่างั้นจะทําอย่างไรในด้านหนึ่งท่านก็บอกว่าให้ขนขวายทําความเพียรด้วยความไม่ประมาท อย่างที่เราได้สาธยายจากบทที่ว่าด้วยปชิมโอวานเนี่ยวิยธรรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอภมาเทนะสัมปเทธาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทถึงพร้อมหรือบางทีท่านก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือการทํากิจนะทำประโยชถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท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 อยู่นั่นเองงั้นวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหยุดปรุงแต่งหยุดความยึดมั่นถือมั่นไอ้การยึดมั่นถือมั่นก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึง่งยังใจได้มาว่าเวลาท่านสอนเรื่องอนิจจังเนี่ยท่านจะชี้แนะให้ปฏิบัติอยู่2 อ, อย่างอันแรกคือว่าให้ทําจิตก็คืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางให้หยุดปรุงแต่งหมายมั่นในสิ่งนั้น จากขณะเดกันท่านก็นบอกว่าเนื่องจากเวลามีน้อยชีวิตเรามันจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องร่งต้องรีบทำรีบทำความดีรีบทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านบางทีคนบางคนเนี่ยก็ไปจับแต่งแง่เดียวเช่นผู้เจ้าได้ยินว่าผู้เจ้าสอนเรื่องอเนี่ยพูดถึงเรื่องอนิจจวัฏสังขารา ก็เลยเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้ให้ทำจิตอย่างเดียวแต่ที่จริงถ้าไปดูปาชิมโมว่าก็จะรู้ว่าท่านไม่ได้สอนให้ทําจิตเท่านั้นให้ให้ทำกิจ ด, ด้วยก็คือเร่งขนควายทําความเพียรด้วยความไม่ประมาทเรื่องความไม่ประมานนี่มันเป็นเรื่องการทํากิจโดยตรงเลยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเวลาเราทํางานทําการอะไรก็ตาม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 กินอาหาให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องการทํากิจเป็นทางการทําหน้าที่ต่อร่างกายต่อสังขารนะเหมือนกับเรือเรือมันผุเรือมันพังเราไม่ทุกข์แต่เราก็ซ่อมงันอะย่าไปเข้าใจว่าเออเรือมันผุเรือมันพังมันเป็นธรรมดานะไม่มีอะไรที่เที่ยงทําจิตเสร็จแล้วก็เลยไม่ทํากิจปล่อยวางอันนะั้น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 แต่บางครั้งเนี่ยนะเราเราทำกิจแล้วเราไม่ได้ทำจิตก็มีเช่นเวลาทำงานเนี่ยทำไปบนไปทำไปบนไปถึงแม้จะไม่บนออกมาดังๆแต่ว่าใจนี้บนอันนี้ก็เรียกว่าทำกิจแต่ไม่ได้ทำจิตนะก็ต้องปรับจิตปรับใจของเราสมัยนะเวลาของหายนะเวลาของหายอ้าวเราไม่ทุกถือว่า